8ค่ำสิ้าค่ำเพราะหลวงพ่อได้ย้ำกล่าวเตือนไม่รู้กี่ครั้งถ่ ก, กี่หนจัทหายาจมทุกคนให้รู้จักหน้าที่อพอถึงวันพระ8ดค่ำส15ห้าค่เออข้าพเจ้า ว, วันนี้เป็นวันพระข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าศีลอุโบสถหรืออย่างน้อยข้าพเจ้าจะไหว้พระสวดมนต์ไม่ให้ขาดและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์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 ตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเนีกรรมชั่วแต่กรรมดีก็เหมือนกันถ้าพวกเราทํากรรมดีกรรมดีให้ผลพวกเราจะมีความสุขสบายสบายกายสบายใจอยู่นสถานที่ใดมีแต่เชิดหน้าชูตาเมื่อภายหลังพอเราทำำํากรรมดีเพราะฉะนั้นกรรมดีกับกรรมชั่วเป็นคนละทางกันนะนักตถาญาติโยมลูกหลาน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 ให้อํเภอบังน้ําเปรี้ยวเรืออะไระละหลวงพ่อกขยะไม่ชัดนะรถ แ, แอมโมเลนคันหนึ่งแอมโมเลนก็ทุกวันนั่งขับล้าน ก, ก, วากว่าเกือบสองล้านไอ้มองให้เป็นจุลบัติของแผ่นดินของกลางหลวงพ่อเห็นแล้วเออเ <c> อ <ười> มองดูชุมชนสังคมถ้ามีเงินขึ้นมาแล้วก็น่าจะทําอย่างนั้น่ะช่วยเหลือชุมชนสังคมแต่หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรม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 ทำไมเอาไว้กินเองก็ได้หรือจะให้บริวารของตัวเองกินอย่างเขายัางทําการทํางานช่วยเราอาเ น, นี้ให้พระประเจกพุทธเจ้าท่านเอาไปฉันนั่นนู่นไปอยู่ในป่านั้นนะพอฉันเสร็จแล้วก็บีบแต่ไปนอนตีพุงอยู่ในป่าไม่ได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมไม่ได้ช่วยเหลืออะไรโอ้น่าเสียดายอาหารทําไมคาใครก็คงจะดูถูกทางแม่บ้านทั้งลูก ไอ้ทางลูกน้องบริวารหนูทำไมโง่นักลักษณะอย่างนั้นแหละพบบที่สุดท่านขอก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะให้ไปแล้วเนี่ยจะไปแย่งคืนได้ยังไงฮะพระประเจ๊ท่านก็ได้อาหารทา่านเขไปแบ่งท่านก็เหาะไปไปแบ่งอาหารในป่าหิมพภานนภูเขาคันธมาอไปแบ่งพระประเจ๊พุทธเจ้าฉันด้วยกันพอฉันเสร็จนั่นแหละ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 ใ้ลูกน้องบริวารกินเขายังมาทำงานทำการให้กับเราได้อันนี้ให้พระประเจกกินโอ้หน่าเสียดายของจริงๆรงนะเพราะนั้นเขาจะไม่กล้าไม่กล้าใช้ของเท่นะีจะใช้เงินเออบาทนึงก็กลัวกลัวมันจะขาดกลัวมันจะขาดร้อยใช่ไหมเออถ้าจะเงินใช้ร้อยก็กวัวมันจะขาดพันขาดหมื่นขาดแสนขาดล้านนะไม่กล้าใช้ไม่จะใช้ของปอ น, ปอน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 เหนียวอการประหยัดสําหรับตนเองอแต่ประหยัดขนาดนั้นก็เถอะตัวเองก็ตายไปเหมือนกันอแต่สมบัติสรอดเป็นของใครเขาใช้อย่างฟุ่มเฟือยมาถึงลูกถึงหลานอันนี้ก็เหมือนกันเศรษฐีท่านนั้นน่ะปุตตะเศรษฐีคนนั้นะในเมื่อเขาตายไปแล้ว่ะเขาก็ไม่เห็นเอาอะไรไปด้วยสักอย่างเขาขี้เหนียวให้โง่ทําไมใช่ไหมถ้าเราคิดดูแล้วก็น่าจะใช้ตัวเองให้ฟุ่ม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 หลวงพ่อแสดงธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเราจะไปพูดแบบโพรบรับตัดตอนไม่ได้ผู้ปฏิบัติจะเดินตามเดินตามาระยะเพราะอะไรเพราะเราพูดแบบโพรบรัตตัดตอนเราต้องเรียงลาดับเหมือนกับเราสอนวิธีการทำนาอย่างลักษณะอย่างนั้นวิธีการทำนาเราทำยังไงทำนาสมัยเก่าแกนะ่เราต้องเตรียมวัวเตรียมควายเตรียมแอกเตรียมไถ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 วันนั้นการสังสมคุณงามความดีเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้ย้ำได้กล่าวให้กับนักศาญาติโยมลูกหลานได้ฟังประกอบคุณงามความดีฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนะลูกหลานผ้าเน้ประกอบคุณงามความดี ส, งงนะงงดสังสมบุญกุศลบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญา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 ลําลำรวยขึ้นไปเองบุญกุศลเต็มจิตเต็มใจแล้วเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ที่ไหนก่อนทาว่าเราไม่เก็บไม่รู้จักคุณค่าตั้งแต่แรกๆน ะ, ะไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบมีเท่าไรใช้จ่ายหมดน ะ, เ, ะเราจะเป็นคนรวยได้อย่างไรเป็นรวยไม่ได้ต้องเก็บแต่เก็บแล้วก่อเนี่ยละรู้จักแบ่งปันอีกเหมือนเหมือนกันนะเะมื่อเราเสังสมบุญกุศลแล้ว